อีกตอนนึงในเหตุการณ์ผจญกับปีศาจของนายทองคําเมื่อตอนลุงที่ตําบลท่าหลวงส่งทองคําเข้ามาฝากไว้กับญาติห่างๆในกรุงเทพเพื่อเรียนหนังสือต่อแล้วก็เรียนจบแล้วโดยสมบูรณ์แต่ยังไม่มีงานทําแล้วก็ได้จดบันทึกไว้อย่างละเอียดชีวิตของคนหนุ่มที่ไม่มีงานทํานี่มันช่างน่ารําคาญนักถ้าหากเป็นหนุ่มที่มีบิดามารดาร่ํารวยก็จะเป็นไรไปงานก็ดูจะหาง่ายด้วยซ้ํา ถึงจะไม่มีงานทำก็ยังอยู่ได้สบายๆแต่สำหรับหนุ่มอย่างผมนีสิแย่ผมอาศัยอยู่กับเขานอนกับเขากินกับเขาและซ้ำยังอาศัยข้าวสุกเขาด้วยจะเป็นหนุ่มที่ไม่น่ารำคาญได้อย่างไรได้แต่อาศัยเจ้าบ้านที่รับฝากผมไว้จากลุงหมอท่าหลวงเขาชอบผมโดยผมทำตัวเป็นลูกผู้หญิงเข้าครัวหุงข้าวต้มแกงตักน้ารีดผ้าแทนผู้หญิงได้ การอาศัยเขาอยู่จึงไม่มีการขุนมัวระคายใจจากเจ้าบ้านเลยแต่เรื่องงานที่จะทำนี่สิครับยากเพราะในสมัยนั้นไม่นิยมทำงานหน้าร้านและทั้งห้างร้านก็มีน้อยแห่งคนไทยทุกคนสมัครใจเป็นข้าราชการใครมีเส้นมีสายดีก็เข้ากระรวงนั้นกระรวงนี้ไปเลยแต่สำหรับผมนี่นึกดูหลักธรรมดาก็แล้วกันลูกของเจ้าของบ้านที่เรียนมาพร้อมผมเขายอมต้องการทางานก่อน จะได้ช่วยเป็นกำลังแก่บิดามารดาแต่ผมผู้อาศัยจะเข้าไปกระทรวงพร้อมกันได้อย่างไรอีกประการเขาพึ่งจะได้งานของผมทางบ้านถ้าผมไปทำราชการซะเขาจะใช้ผมได้อย่างไรกันเช้าก็ไปเย็นก็กลับจะช่วยงานบ้านได้ก็ตอนเย็นตอนค่ำฉะนั้นการยังไม่มีงานทำของผมจึงไม่ใช่ของหน้าแปลกแต่อย่างใดเพราะมันมีเหตุผลอยู่แบบนี้การแต่งกายก็เพียงกันไม่ให้ใครคิดว่าขอทานเท่านั้น เรื่องจะแต่งตัวเทียบกับเพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียงน่าได้คิดเลยไม่มีโอกาสอย่างแน่นอนการเที่ยวเต่มีบ้างบางคราวรีบทำอะไรเสร็จแล้วก็ไปได้เจ้าบ้านพอให้สตางค์บ้างอย่างเด็กกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวไม่ว่างานวัดงานปีอะไรเรื่องจะไปกินขนมหรือพิเศษนั้นไม่มีละมีสตางค์ที่ให้อย่างเด็กไปเพียงค่าน้าแข็งกับน้าหวานผมจึงไม่สมัครใจไปเที่ยวไหนเพียงพูดคุยกันคบหาสมาคมกันแถวบ้านใกล้ บ้านอยู่แถวราชดำเนินก็ออกมานั่งเล่นเมื่อหมดงานแล้วที่เก้าอี้ใต้ต้นมะฮอกกานีที่รัฐบาลตั้งเรียงรายไว้ให้ผู้ที่สัญจรไปมาในตอนค่าวันหนึ่งพวกเรา3ามสี่คนที่จัดว่าเป็นพวกคลั่งภาพยนตร์จะออกมาคุยกันที่เก้าอี้ราชดำเนิน ท, ทั้งทางที่ดูมาแล้วก็อดจะบรรยายคุณงามความดีของพวกพระเอกหนังไม่ได้แต่เอ่ยถึงตัวผู้ร้ายแล้วเกลียดเข้ากระดูกดําสมัยนั้นเป็นภาพยนตร์เงียบ มีแตรวงบรรเลงเวลาต่อยกันแตรก็จะทำเพลงเชิดหูดับตับแตกเรานิยมตัวนายรงเอกเข้ากระดุกนึกเป็นเอาจริงเอาจังว่าต่อยกันจริงๆจึงนิยมว่าเก่งสมเป็นลูกผู้ชายในสมัยนั้นการชกการต่อยจะต้องยกให้นายเอ็ดดี้โปโลเป็นพระเอกล่าสันเป็นมะขามข้อเดียวสามารถต่อยชนะคนหคนเจคนได้เรื่องจะถูกผู้ร้ายต่อยสลบนั้นไม่มีเลยสาหรับพระเอกคนนี้ ถ้าเข้าตาจนก็คือผู้ร้ายแอบตีหัวข้างหลังเท่านั้นถึงจะฟุบลงส่วนนายฮุสกิมสันนั้นเป็นแผนกคาวบอยต่อยเก่งมีเล่เหลี่ยมดีดรลันผมยาวก็อีกผู้หนึ่งเล่เหลี่ยมการต่อสู้หลักแหลมนักเป็นที่ถูกใจพวกเราในสมัยนั้นอย่างประทับใจจะเป็นท่าทางการต่อยมวยหรือการต่อสู้ยูโดผสมกับมวยหมัดเราพยายามจากันนักพระเอกในหนังท่าทางอย่างไรเราทาท่าได้เหมือนแทบทุกคน ใครยังทําไม่แนบเนียนก็ผลัดกันทําจนใกล้เคียงมีการฟิตตัวกันจนล่ําสันไปตามๆกันเวลาเล่าถึงว่าตอนนั้นๆนายดรลั น, น, นทำเล่หลอกผู้ร้ายให้หลวมตัวแล้วใช้วิชายูโดโเหวี่ยงเอาหงายไปคว่ำไปเราก็จะมักอุปโลกใครก็ได้สักคนหนึ่งเข้ามาเป็นผู้ร้ายแล้วเราก็เหวี่ยงล้มไปจริงๆซึ่งนับว่าทําได้เหมือนแล้วก็ว่องไวหานึกไหมว่าคนที่ถูกอุปโลกเป็นผู้ร้ายนั้นจะจุกจะขัดจะยอกอย่างไร เพราะไปคิดเอาว่าเขาผู้นั้นคือผู้ร้ายจริงๆในจำนวนสมาคมของพวกเราควรจะกล่าวถึงอีกคนหนึ่งก็คือเด็กชายบุญช่วยนายคนนี้คือสิทธิ์ตัวชะกันของดรลันเลยทีเดียวยืนคุยคุยกันเพลิดเนายบุญช่วยจะต้องใช้วิชาดรข้อขาหรือจับเพื่อนรุ่นเดียวกันเหวี่ยงไปด้วยยูโดเสมอสิทธิ์นายเอ็ดดี้และดอร์ผู้นี้ไม่สนใจการเรียนหนังสือเลยสอบตกเป็นประจำผู้ใหญ่ตามใจ มีเงินมีทองใช้สบายหนีโรงเรียนบ่อยจนถูกคัดออกมาอยู่บ้านและเข้าโรงเรียนตามโรงหนังในคืนนั้นการคุยของพวกผมกับพวกเพื่อนรุ่นเดียวกันจะต้องชะงักลงเพราะสิทธิ์ของนายเอ็ดดี้ดรลันรุ่นจิว๋วตรงเข้ามายัางบริษัทของเราโดยส่งเสียงมาก่อนแม้พี่คำออกมาไม่บอกเลยนะเขาพูดเมื่อมาร่วมวงแล้ว พี่คำออกมาข้างนอกเนี่ยเมื่อกี้ฉันทุบไม่อูดลงไปแ eng แมงเลยพูดแล้วก็หัวเราะอย่างภาคภูมิใจทำไมล่ะผมถามเพราะกลัวเพื่อนรุ่นจิ๋วจะเกอ้อเพราะแกโผล่มาก็นำเอาเรื่องหมัดมวยมาคุยทีเดียวแม้พี่คำก็ไอ้อูดมันอวดดีมันจะผลักฉันลงน้ำที่คูสะพานนั่นฉันก็เลยเอี้ยวตัวเวียงด้วยสะโพกลงน้ำเลยเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับดรลันไว้ไม่ทันก็โดนดีเท่านั้นเพื่อนรุ่นเดียวกันพูดสนับสนุน นายบุญช่วยยิ้มอย่างพอใจยืนกอดอกพยายามเบ่งกล้ามแขนให้ขึ้นนูนประกอบความเก่งกล้าแต่ว่าการเบ่งท่าทางเป็นไปไม่นานทางคกตัวหนึ่งโดดไล่มแมลงมาโดนหลังเท้านักต่อยเข้านักต่อยตกใจกระโดดโยงเยงไปพวกเราก็หากันคืนใหญ่ราศีทางหมัดหมัดม ว, มวยหมดไปนายบุญช่วยก็เปลี่ยนเรื่องเป็นการจับจิ้งหรีดเพราะว่านอกจากภาพยนตร์แล้ว นายนักต่อยรุ่นจิ๋วนี้นิยมจิ้งรีดนักที่เขาออกจากบ้านมานี้ก็เอากระป๋องเล็กเตรียมมาจับจิ้งรีดที่โดดอยู่คนเสาไฟฟ้าจับมันทําไมวะไอ้จิ้งรีดตัวปิ๊กปี๊กผันนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นมันใหญ่สักตัวนี่พี่ไอ้ใหญ่ๆอย่างที่เขากาัดกันที่บ่อนน่ะเขาไปจับกันที่ไหนน่ะ น, นูนทุ่งพญาไทยหรือไม่ก็ทางรถไฟหนุน่นถึงจะตัวบิ่มๆก็ไปจับเอาสิวะไปไม่ถูกเนีสิพี่ไปจับกันไม่ล่ะ หอยขี้เกียจเดินผมพูดพร้อมกับทำท่าบิดขี้เกียจไปก็ไปนะ้านายแปลกผู้ซึ่งจัดว่าเป็นหนุ่มใหญ่กว่าพวกเราร่วมคุยกันอยู่ด้วยออกปากเห็นดีตามเจ้าบุญช่วยอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรไปเดินเล่นกันเถอะนะพ่อคำนะผมหยุดคิดชั่งใจอยู่สักครู่เพราะอยากจะกลับเข้าไปดูหนังสืออีกแต่ขัดอ้อนวอนไม่ไหว ทั้งการเที่ยวอย่างนี้ก็ไม่เสียสตังผมถามวงคุยเราดูไม่มีใครไปมีเด็กอีกสองคนขอไปด้วยเราเลยได้พวกรวมเป็น5คนเครื่องอุปกรณ์การจับจิ้งรีดในแปลกเป็นผู้รู้และชำนาญก็เลยเป็นผู้จัดหาให้ครบถ้วนเราเดินกันไปคุยกันไปเรื่อยๆจนถึงสะพานโยมราชต้นทางที่ประสงค์ไว้จะจับตามทางรถไฟแล้วก็จะโอบเข้าทุ่งพญาไทเมื่อมาแล้วก็จะเอากันอย่างเอกเลย พอเลี้ยวเข้าทางรถเท่านั้นเสียงร้องกันแซตไปหมดเจ้าบุญช่วยครางออกมาอย่างตื่นเต้นรีบเตรียมจะจุดใต้เดี๋ยวทวะไปลึกๆอีกหน่อยถมเทไปในแปลกพูดข้างหน้าของเรามีแสงไฟเป็นดวงดวงอมแวมไปหมดมีพวกที่หาจับอยู่ก่อนเราหลายคนเราเดินลึกเข้าไปอีกซอกสองสามเส้นพวกที่หาอยู่ก่อนก็หนีพวกเราไปเขาบ่ายหน้าลงท้องทุ่งเลยคงจะมีตัวโ ต, วตวกว่าทางรถไฟเถอนา ทางรถไฟนี่แหละถมไปเข้าไปกันหมดแล้วเราหาสบายดีนายแปลกพูดพวกเราจุดใต้ทุกคนลงมือหาตามเสียงร้องเราราวหนาทีจับได้สองสามตัวทุกคนจับได้จิ้งรีด ย, ยกเว้นแต่บุญช่วยยังไม่ได้มันหลุดไปหมดบ่นพืมพำมมันร้ายแฮะโดดเร็วกว่าจิ้งรีดตามเสาไฟฟ้ามากเลยเจ้าช่วยพืมพำนั่นมันจิ้งรีดเล่นไฟไวยนี่ก็จับง่ายผมว่าล้วก็หัวเราะ ย้ายที่เถอะนะที่นี่สวยแฮะหลุดอยู่เรื่อยเลยเมื่อกี้ก็หลุดไปตัวเท่านิ้วก้อยเนี่ยชะจ้าเจ้าเป็ดจิ้งหรีดไอ้แอดตัวเท่านิ้วก้อยในแปลกว่าไปไปไปเถอะปะข้างหน้าซะเสียงมันร้องดังอยู่นู่นน่ะในแปลกพูดอะไรก็เชื่อเพราะว่าเขาชํานาญทางนี้เวลาล่วงเลยไปกี่ทุ่มแล้วเราไม่รู้เลยเพราะไม่มีนาฬิกาจะดูเที่ยวค้นหาจิ้งรีดกันอย่างสนุกดวงไฟที่เห็นในทุ่งก็หมดไปแล้ว เขาคงไปทางอื่นหรือไม่ก็กลับกันไปหมดพวกเราไม่ได้มองดูเราเห็นมีไฟอยู่ดวงหนึ่งที่ตรงเสาข้างทางรถไฟมีตัวอักษรว อ, รอยู่เสรารถไฟซึ่งหมายถึงว่าถ้ารถถึงตรงนี้ให้เปิดบูดหรือหวีดทํานองนั้นเดินผ่านมาก็เห็นเด็กชายคนนึงกับผู้ใหญ่สองคนกําลังตะครุบกันอยู่ปุ๊บปั๊บเราไม่เอาใจใส่ก็เลยเดินเลยไปจนกระทั่งถึงสะพานเล็กๆที่รถไฟข้ามร่องน้ําเล็กๆที่ท่าจะดี เราก็เลยหยุดตั้งใจจะหาตรงนี้กำลังเงี่ยหูฟังเสียงร้องของจิ้งรีดก็พอดีได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยความตกใจขึ้นเบื้องหลังที่เราผ่านมาแล้วเราทั้งหมดก็ตกใจเช่นกันหันหน้าไปทางนั้นราวกับนัดกันไว้เด็กน้อยวิ่งถือใต้ตรงมาหาเราเปลวใต้ริบตรีแทบดับเพราะความเร็วที่วิ่งมาสุดเหยียดพวกเรานิ่งอึง้งเพราะไม่รู้ว่าเด็กที่วิ่งมาทําไมและตกใจอะไรแล้วหนีอะไร เด็กนั้นถึงวิ่งมาเมื่อเด็กคนนั้นวิ่งมาถึงพวกเราก็ล้มฟุบกอดขาผมก้มหน้ามุดพูดไม่ออกเหตุการณ์อันไม่นึกถึงได้เกิดขึ้นกรณี้พวกเราทั้งหมดตะลึงงนันเราจาได้ว่าเด็กชายที่นั่งหาจิ้งหรีดอยู่กับผู้ใหญ่สองคนที่เสาวอที่ผ่านมาตะกี้นานพอใช้ได้ผมจะได้สติเขย่าปลุกเด็กที่ฟุบกอดขาอยู่เด็กนั้นคงมีอาการสั่นเทากอดขาแน่น ผมค่อยๆแกะแขนเด็กออกจากขาผมและพวกเราก็นั่งล้อมรอบแสงใต้สว่างโพลง่งเป็นอะไรไอ้หนูแปลกถามผีหลอกครับพี่มันตอบพร้อมกับค่อยๆหันไปดูทางที่มันวิ่งมาแล้วฮะผีหลอกเชียวหรืผมถามพร้อมกับหัวเราะนายแปลกก็หัวเราะด้วยและแถมท้ายด้วยนายแอดดี้ก็หัวเราะตามอย่างแสดงความขบขันแต่เด็กอีกสองคนไม่หัวเราะและขยับตัวเบียดเข้ามา ผีที่ไหนกันเล่าในแปลกพูดแล้วก็หันไปทางที่เด็กบอกก็เรามากับผู้ใหญ่ไม่ใช่หรือเปล่าครับผมอยู่คนเดียวชั้นแรกผมตามคนอื่นมาแล้วเขาเลยไปข้างหน้าแล้วก็หายไปหมดอ้าวก็เมื่อกี้เห็นนั่งอยู่กับผู้ใหญ่นี้นะผมถามไม่มีครับผมอยู่คนเดียว อ่ะแล้วมันหลอกยังไงไหนลองเล่าไปสิผมถามพร้อมกับความสงสัยเพราะเรื่องผีๆสางๆผมพอจนมามากคิดว่าเจ้าตัวเปียกนี่คงตาฝาดเพราะว่าเด็กๆมักจะเห็นอะไรเป็นผีไปหมดเอนึกออกละแฮนในแปลกพูดพวกจับจิ้งรีดนั่นแหละเห็นเด็กมายุ่งก็เลยทำผีหลอกไล่ไปซะเพราะเด็กอยู่ทาจิ้งรีดตื่นหมดอืมถ้าจะใช่แนะ่ผมก็คิดตามในแปลกแล้วถามเล่นๆว่า มันหลอกอีท่าไหนวะไหนเล่าให้ฟังสิมันไม่ได้ทำยังไงหรอกครับผมเงยหน้าก็เจอเข้าอ้าวพอเจอเข้าก็หาว่าผีเชียวหรือในแปลกพูดหน้าตามันหัวกะโหลกนี่ครับพี่ในแปลกหัวเราะรืนเพราะรู้ว่ามันไม่มีอะไรมากเพียงเอาหน้ากา ก, ากมาสวมเข้าเด็กก็วิ่งไปแต่การเล่นแบบนี้มันรุนแรงและก็เป็นอันตรายกับเด็กมากอาจจะถึงกับจับไข้แล้วก็ดีฝ่อได้ไปดูกันทีหรือนแปลกว่า อ่ะไปก็ไปผมตอบแล้วก็ทำท่าจะไปเจ้าพวกเด็กของเราเก่าและเจ้าเด็กใหม่ก็ชักจะอวลวนเบียดเสียดกันยกใหญ่เกาะหน้าเกาะหลังกันพรุงพรงังแทบจะเดินไม่ได้มียกเว้นคนเดียวก็คือนายเอ็ดดี้ยืนกอดอกท่าทางแบบเบ่งของเขาตามเคยแล้วก็พูดว่าอืมไปก็ดีถ้าพบว่าหลอกเด็กเล่นเอาไม้ทิ่มตาแม่งเลยเขาพูดแบบนี้แล้วก็มั่นใจในวิชาครูเอ็ดดี้ของเขา ในที่สุดเราก็ได้มาถึงตรงต้นเสา ว, วอด้วยความลำบากที่พวกเด็กเกาะกันระนาวเพราะเหตุเกิดขึ้นมันห่างกันมากถ้ามีใครจะหลอกเด็กเล่นก็แอบหลบไปแล้วที่นั่นมีแต่ความว่างเปล่าและเงียบสงบถ้าพบตัวพี่คําตุ้ยให้สลบเลยสิทธิในแอดดี้สนับสนุนฉันจะกอดขามันไว้พี่โชคให้สบายเลยนะเอาให้ยูหมัดไปเลยนะพี่ มันเป็นลูกไม้ที่ด็อกเตร์ลันเคยใช้กับผู้ร้ายคือให้ลูกน้องไปหมอบอยู่หลังคนร้ายแล้วพระเอกก็ชกผู้ร้ายเซตั้งหลักไม่ได้เพราะขาติดก็เลยถูกชกหมัดเดียวอยู่เขาพูดแล้วก็ดึงกางเกงขาสั้นให้ธรมัดามําแมนแบบข่าวบอยเด็กอื่นๆก็ไม่ได้คิดจะสู้ตาวาวไปตามกันแล้วก็เกาะผู้ใหญ่เราสองคนเจ้าช่วยก็ยืนขาเตรียมเข้าสู่ยุทธ ภ, ภูมิจนชวนหมันไส้ ผมนึกในใจว่าถ้าเป็นผีจริงขอให้หลอกให้เช็ดเลยไปเหอะไม่ได้ความในแปลกว่าอย่างรำคาญเสียเวลาเข้าทุ่งเลยเดี๋ยวก็ได้ตัวตัวโ ต, วตวสักสองสามตัวก็กลับได้พวกเราทั้งหมดเห็นด้วยก็จะขยับเดินตามเพื่อที่จะลงทางรถลงสู่ทุ่งและกําลังหาทางข้ามลำคูข้างทางรถแต่สิทธิ์นายเอ็ดดี้ยังกล้าหาญไม่ตามเรามายังคงสองใต้หาจิ้งรีดอยู่ทาให้เกิดความราคาญแก่ใจของพวกเราขึ้น เราจะทิ้งไว้ที่นี่ได้อย่างไรคนเดียวพวกเราร้องเรียกให้รีบตามก็ทำเฉยเป็นนิสัยหำหมแก้ไม่ตกไอ้บ้าเอ้ยผมโมโหเดือดแล้วก็ชวนกันหาทางข้ามต่อไปให้มันโดนดีซะบ้างจะได้เข็ดมีพิษเสมอไอเนี่ยไอนี่ทำให้ห่วงซะแล้วบ้าบไรเลยในแปลกก็ชักเดือดเมื่อเราเดินห่างมาก็ไม่แย ก, กะตามมาหน้าเข็ ก, กระบาลสักโป๊กหนึงหนักๆผมพูดอย่างโกรธเสียเวลาจริงๆ ฉันเองอยากติไอเอสดีสักทีหนึ่งวะ่ะนายแปลกพูดพูดแล้วก็เดินไปยังเจ้าเด็กอวดดีแต่ทันใดนั้นเองนายแปลกก็ชะงักมองไปเราก็มองไปบ้างเอ๊ะเราทั้งหมดสะดุ้งเป็นสิ่งประหลาดนักเจ้าช่วยที่กำลังหาจิ้งหรีดอยู่ก้มหน้าก้มตานั้นบัดนี้เราเห็นใครอีกคนนึงยืนอยู่ใกล้ๆแต่เจ้าช่วยคงไม่เห็นมุ่งแต่จะเอาจิ้งรีดให้ได้ภาพประหลาดนั้น ทำให้พวกเราเกิดขนลุกและทันทีทันใดนั่นเองพวกเราค้นหาคนหมดแล้วที่แถวนี้มีแต่ต้นหญ้าต้นไม้กอหญ้ากอติเตี้ยเท่านั้นก็เพียงแค่บางหลังเข้าให้มิดเท่านั้นแหละและเหตุใดเจ้าคนที่ยืนดูอยู่กับเจ้าช่วยนั้นมันมาจากไหนจะมาได้อย่างไรรวดเร็วนักถ้าคิดว่ามาจากที่อื่นเรามีลูกตาถึง12ดวงค้นหากันจนทั่วด้วยแสงใต้6ดวงสว่างไปไกลามาก ใครมันจะมุดต้นหญ้าสูงแค่คืบบางตัวอยู่ได้วะขณะนั้นเองเราก็เห็นเจ้าช่วยเงยหน้าขึ้นแล้วก็ร้องโวยวายเพ่นวิ่งมาทางเราเหมือนเด็กคนแรกผมถึงกับพะงะถอยหลังความเชื่อตามเด็กที่เล่าให้ฟังชักแน่ใจซะแล้วเจ้าช่วยมาล้มที่เราแล้วก็หมดสติลงผมบอกไม่ถูกว่าหัวใจมันเป็นอย่างไรมันวูบไปทั้งตัวรู้สึกตัวเบาหวิวแต่ใจของนักสู้ชักจะมีขึ้นผีเหรอ มึงเอากูมานักต่อ น, นักแล้วนะตั้งแต่กูเป็นเด็กแล้วนะกูจะเอามึงคืนก็คราวนี้แหละหมาจนตอกแล้วกูที่พึ่งคือตัวเองในยามเปลี่ยวอย่างนี้คือเลือดร้อนดุเดือดทำใจให้เป็นบ้ากล้าแข็งเห็นช้างเท่าหมูโดดออกจากที่วิ่งสวนไปอย่างที่นั่นก้มฉวยก้อนดินก้อนหินเวียงก ร, รวดเข้าไปพร้อมกับด่าแจ้งชักหักกระดูกควางมันไปทุกทิศด้วยฤทมุทะลุ สุดแต่ความเร็วจะหยิบก้อนหินก้อนดินได้ก็เวียงเป็นปืนกลคืนนี้ถ้ามึงเป็นคนกูจะฉีกเนื้อมึงเลยผมวิ่งตรงเข้าหาเสาวอนั้นพอใกล้ผมก็เตะลมเตะฝุ่นเควี้ยวรอบตัวไปวันนี้ถ้ามึงเป็นผีมึงเอากูให้ตายกูยอมและกูกลัวมึงมามากแล้วผมพูดพร้อมกับตะโกนไปแล้วก็วิ่งไปห่างจากพวกแล้วก็เตะต่อยลมอยู่คนเดียวพอใกล้เข้าไปภาพที่ปรากฏก็เริ่มปรากฏขึ้นรา ง, ราง มันเป็นศพห่มผ้าขาวหน้ามันเป็นซากศพเนื้อแห้งติดกะโหลกแต่ผมมีอารมณ์บ้าซะแล้วหยุดชะงักนิดนึงเพียงแห้แน่ว่าคนหรือผีถ้าคนจะกระโดดล็อกคอทันทีการไม่หยุดยั้งของผมนั่นเองไอภาพอุบาทนั้นก็กลายเป็นนกสีขาวตัวเล็กนิดเดียวเกาะอยู่ที่เหล็กรางรถผมกวาดหินสักพักเดียวทุกสิ่งทุกอย่างหายไปสิน้นกลายเป็นความเงียบและมืดที่สุดเพราะผมทิ้งใต้สะนานมาแล้วชักจะยืนงง หันมอง ร, บรอบๆกายความว่างเปล่าทําให้เกิดลังเลใจนี่ผมผจญอยู่คนเดียวไม่มีใครตามมาเลยเลยเนี่ยคงกําลังตื่นเต้นผมก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะหันกลับไปหาพวกหรืออย่างไรการประจันบานครั้งนี้มันแน่ยิ่งกว่าแน่มันคืออะไรที่ลือกันนักว่าผีหลอกคนจับจิ้งรีดมันแน่กับตาแล้วนึกโกรธพวกข้างหลังว่าช่างกระไนอนักเดินทางร่วมไม่มีหัวใจรวดเร็วและบ้าบินซะบ้าง เห็นพวกเราวิ่งมาทำไมไม่ตามมาบ้างแต่ด้วยความโมโหของผมนี้มารู้ตัวคราวหลังว่าผิดเพราะทางนู้นมีนายแปลกคนเดียวที่เป็นผู้ใหญ่นอกนั้นก็เป็นเด็กทั้งยังเกาะแล้วก็ร้องกันงองแงอีกเจ้าช่วยก็กำลังเข้าตรีทูดเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเงียบไปเสียงจิ้งหรีดก็ร้องกันรอบไปเป็นอันว่าผมยืนอยู่คนเดียวในที่วังเวงเหลียวดูพวกแสงไฟอยู่ห่างมาก ผมวิ่งมาด้วยโมโหก็เลยเร็วผิดธรรมดาไกลกว่าจะตามได้เร็วทันใจขณะที่ยังคิดอะไรไม่ออกก็มีเสียงคล้ายคนผิวปากวิวตามมาแล้วก็มีผ้าขาวผืนใหญ่เหมือนถูกทิ้งมาจากอากาศลอยกลางฉลับมาตามลมทำท่าจะคลุมผมอาการบ้าก็เกิดขึ้นผมทั้งเตะทั้งต่อยมันไม่มีอะไรเลยคล้ายผมเห็นไปเอง ผมไม่หยุดใช้กำลังซ้อมลมจนรู้สึกว่าแสงไฟสว่างจ้าจึงยั้งสติพวกเรามาล้อมแน่นผมพูดอะไรไม่ออกก้มหน้าบอกว่ากลับกันเถอะอีตอนกลับนี่ชั ก, กรวนกันเป็นการใหญ่ไม่มีใครอยู่หลังแล้วก็ไม่มีใครอยู่หน้าลงท้ายในแปลกออกหน้าผมคุมหลังจนออกมาที่ถนนมีผู้คนแล้วผมหายโมโหจึงเกิดความกลัวอย่างประหลาดคางสัน่นพูดเล่าเรื่องให้ในแปลกฟังกระท้อนกระแท่นเต็มที แต่ว่าในาแปลกเชื่อว่าเป็นจริงเพราะมองเห็นเหตุการณ์อยู่กับตากว่าจะเข้าบ้านนอนระหว่างตรอกบ้านเองเข้าตอนมืดก็อดเสียวไม่ได้เรื่องนี้ผมเงียบไม่ได้พูดให้ใครฟังเจ้าบุญช่วยก็เงียบกลัวพ่อแม่จะด่าเอาส่วนผมเป็นผู้ใหญ่กว่านำเด็กไปโดนมาอย่างนี้ผู้ปกครองต้องเล่นงานผมแน่